วันนี้เป็นวันแรมแปดข้าเดือนเก้าปีสองพันห้าร้อยห้าสิบตรงกับวันที่ห้ากันยาห้าศูนย์เป็นวันพระเป็นวันร่วมปฏิบัติธรรมของพวกเราวันหนึ่งวันนี้รู้สึกว่าพี่น้องญาติโยมมาจากหลายหมู่บ้านมาจากจ่าตรทิศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาจากอำเภอสังคมเป็นอบตแกล้งไก่อำเภอสังคมมาเพื่ออบรมเพื่อปฏิบัติธรรมมีท่านประลัดที่เป็นหัวหน้าอบตหลวงพ่อว่าการปฏิบัติธรรมหรือว่าการทัศนศึกษาอย่างนี้ เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะวิชาทางโลกเราก็ได้ศึกษาเราก็ได้เรียนมาตามสื่อต่างๆหรือไปในสถานที่ต่างๆแต่โดยมากที่จะเข้าสู่วัดวาศาสนาที่ได้ยินพระอบรมแนะนำสั่งสอนนั้นรู้สึกว่าจะล่อยหล่อไปเรื่อยๆแต่อีกอย่างหนึ่งวัดวาศาสนาครูบาอาจารย์ที่จะอบรมแนะนำสั่งสอน ญาติโยมพี่น้องประชาชนก็ไม่ใช่ว่าจะมีทุกวัดทุกวาแต่วัดวาศาสานาบางท่านบางองค์ท่านก็อยู่ตามลําพังรักษากฎระเบียบพิจนัยของท่านแต่เป็นท่านเป็นผู้มีศินเป็นผู้ทรงศิล์สมควรที่น่าการไหว้สักการบูชาแต่ถ้าจะให้ท่านเทศนาว่าการอบรมพี่น้องประชาชนท่านก็ไม่มีความสามารถที่จะพูดได้เหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลาย จะไปตำหนิท่านพระอย่างเดียวก็ไม่ได้ทำไมพระพูดไม่ได้ทำไมพระเทศไม่ได้แต่พี่น้องประชาชนเป็นหลร้อยหลายพันคนก็พู้ที่ร้องเพลงได้ที่ไพระมีกี่คนพวกเราคิดดูก็แล้วกันทำไมร้องเพลงไม่ได้มีหูมีตามีจมูกมีปากมีลิ้นเหมือนกันทำไมร้องเพลงไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกัน ทากว่าอยากจะให้พระสงฆ์ทุกองค์พูดได้เทศได้ทุกองคงคงอยากเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเป็นอุปนิสัยแต่ละท่านแต่ละองค์ที่จะพูดได้ที่จะแสดงได้ที่จะแนะนำชี้แจงเหตุและผลให้พี่น้องประชาชนเข้าใจไม่ใช่ว่าของหาได้ง่ายอีกเหมือนกันเหมือนกับพวกเราที่เห็นพวกร้องรทำทําเพลงกน่ะไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนแต่ได้อยู่แต่บางคนพอร้องขึ้นไปก็เหมือนกับ เสียงบัวเสียงควายมันร้องอย่างนั้นน่ะเฮ้มันไม่น่าฟังอแต่ตัวเองพูดเข้าไปกับเหมือนกันแล้วร้องห h o ร้องให้แต่คนอื่นฟังเราจะได้อุดหูอย่างนั้นน่ะอันนี้ก็เหมือนกันการเทศนาว่าการพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์จะต้องแปลกแตกต่างกันแต่ทางนี้ทั้งนั้นการพูดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะยกย่องหลงพ่อนะไม่ใช่ยกย่องหงพ่อว่าเป็นผู้เอแสดงธรรม ฉลาดปาดเปลืองไม่ใช่อย่างนั้นหลวงพ่อเองก็ถูไถ่ายถูถ่อีกเหมือนกันนั่นแหละอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแต่ถึงอย่างไงก็ตามขอให้ศรัทธา ญ, ญาติโยมพี่น้องประชาชนที่มาฟังทำคําพูดของหลวงพ่อเนี่ยให้ฟังเนื้อหาสาระอย่าไปฟังเสียงไพเราะฉนะโสดเสียงไพเราะเพ้อพิงในการพูดเพราะหลวงพ่อเองก็ไม่เชี่ยวชาญชํานาญใน ภาษาตัวหนังสือเพียงแต่ว่าได้ปฏิบัติทำมาอย่างไรรู้เห็นอย่างไรประสบการณ์มาอย่างไรหลวงพ่อเองเขาพยายามถ่ายทอดความรู้ความเห็นในความรู้สึกของหลวงพ่อเป็นอย่างไรก็ถ่ายทอดให้แก่สิทธิานุสิทธิหรือศรัทธาญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องเพราะนั้นเห็นพวกเราท่านทางหลายที่มาเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อหรือเข้ามาในวัดของหลวงพ่อเขาขอให้ตั้งอกตั้งใจ ศึกษาฟังพยายามฟังให้เข้าใจในคำพูดที่หลวงพ่อจะได้แนะนำสั่งสอนแต่ละครั้งนะวันนี้ก็นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลวันหนึ่งที่พี่น้องประชาชนญาติโยมที่มาวัดมากเพื่อจะได้รับการอบรมในหลักของพุทธศาสนาสำหรับ ญาติโยมพี่น้องประชาชนพระพุทธเจ้าท่านก็สอนแนะนำตามลำดับขั้นตอนแต่นั่นเป็นพุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะขึ้นนั่งธรรมมาร์หรือก่อนที่จะแสดงธรรมพระพุทธองค์มียานัศสนะท่านพอขึ้นนั่งเสร็จแล้วท่านก็จะกวาดยานัศสนะเหมือนกับกวาดเลดาไปอย่างนั้นะดูรอบๆที่ท่านจะแสดงธรรม วันนี้เราจะแสดงธรรมเรื่องอะไรพระพุทธองค์มีจุดมุ่งหมายที่ทมผู้ใดจะได้รับมรรคผลนิพพานในวันนี้จะได้รับมรรคผลในวันนี้พระพุทธองค์ก็ได้กวาดสา ย, ยาณทัศนะของพระองค์ไปให้ทั่วถึงจากนั้นท่านก็เออวันนี้เราจะเทศให้คนบุคคลคนนี้กลุ่มนี้เขาจะได้รับธรรมะอันขั้นสูงสุดคือเป็นพระหัน หรือพระตะก a าคามีหรือพานาคามีหรือพระโสดาบันหรือว่าจะได้ถึงพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งเขาจะเป็นผู้นับถือเลื่อมใสต่อไปภายภาคหน้าสิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์ท่านรู้นะแต่ถ้าว่าท่านมองดูแล้วไม่ได้เรื่องนะมองดูแล้วไม่ได้เรื่องท่านก็ไม่ได้แสดงอะไรมากพูดไปพอเข้าใจแล้วก็แยกย้ายกัน อถ้าจะว่าไปก็เหมือนกับพวกเรานะ่ะพวกครูบาอาจารย์เหมือนกับท่านมีแหนะ่น่อยการหลงตาท่านเปรียบเทียบให้ฟังให้หลวงตามหาบัวเอองค์หลวงตาท่านพูดท่านว่าอก่อนที่เราจะวันแหลงไปเราก็ต้องดูซะก่อนว่ามันมีปลาไหมถ้าเห็นปลาขึ้นมาแล้วก็ค่อยหวานลงไปอก็จะได้ ปลาขึ้นมา่ถ้าว่าดูแล้วไม่มีปลาล้วจะไปรู้จะหวานทำไมหวานลงไปก็ไปถูกขี้หมูขี้มา้าล้างยากอีกต่างหากเผลอๆไปติดน้ำอีกเสียแหเอออีกอันนี้ท่านเปรียบเทียบคล้า ย, ายๆกับว่าก่อนที่จะแสดงธรรมก่อนที่จะพูดผู้ฟังตั้งใจฟังอยู่ในความสงบแต่ถ้าพูดไปแล้วก็เป็นประโยชน์ สำหรับผู้ได้ยินได้ฟังอันนั้นแปลว่าผู้แสดงธรรมก็มุ่งหวังมุ่งมั่นว่าเออการพูดออกไปนี้คงจะเกิดประโยชน์สำหรับผู้ได้ยินได้ฟังอันนั้นกคล้ายๆกับหว่านแ ห, าหลงไปอาจจะมีปลาเอยู่บ้างแต่ถ้าว่าไปแล้วชุมชนเขาไมา่ให้ความเคารพอต่างพูดต่างคุยกันต่างคนก็ต่างไปคนละทิศละทางตัวเองก็ไปหวานแหลงไปเพ้อๆโดนเขาด่าอีกต่างหาก พูดอะไรก็ไม่รู้พระมายุ่งอไม่รู้จักกาละเทศะกำลังสนุกสนานเพลิดเพลินกันอยู่แต่พระก็มาพูดอย่างนูนพูดอย่างนี้ทําอย่างงั้นพินัยอย่างนี้อย่างนั้อเผลอๆเขายังดูถูกพระอีกเพราะฉะนั้นเราต้องดูกาลเทศะบุคคลการที่จะพูดทิ้งไหนออกไปการแสดงธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อันนี้เป็นพุทธวิสัยของพระไตเจ้าวที่พูดเบื้องต้น่ะต่อมาก็เป็นแนวความคิดขององค์หลวงตา ที่ท่านจะแนะนําสั่งสอนคู่คนพี่น้องประชาชนหลวงพ่อว่าถูกทั้งสองอย่างเพราะพระพุทธเจ้าท่านเป็นบรมครูนั้นไม่ต้องพูดถึงแต่องค์หลวงตาพูดนี่ก็อหลงพ่อว่ามีเหตุผลอไม่ใช่ว่าไปเห็นใครแล้วไปจับมาพูดมาแสดงทำให้ฟังเพราะนั้นก่อนที่จะพูดแสดงทำให้ฟังก็ต้องอยู่ในความสงบในความเคารพพอสมควร เพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านที่เข้ามาศึกษาในวัดของหลวงพ่อในวันนี้นะเข้ามาเพื่อรับการอบรมเพื่อจะได้ยินได้ฟังธรรมะธรรมค ำ, ม ำ, คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนครว่าจ่าโจมก็คือเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาะเรื่องทานก็ยังพวกเราท่านทั้งหลายได้เสียสละได้ทําบุญทําทานตั้งแต่ปู่ย่าตายตายตักบาท ทำบุญเสียสละเงินคำทรัพย์สมบัติสร้างถ้าวลวัตถุในพระพุทธศาสนาต่อชุมชนสังคมที่มีการทําบุญทําทานพวกเราก็ได้เสียสละอันนี้ก็คือพวกเราพร้อมอยู่แล้วทําอยู่แล้วเรื่องศีลก็คือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยอันนี้รู้สึกว่าพวกเราท่านทั้งหลายจะห่างเหินไปในศีลของพระพุทธเจ้าเพราะเหตุใดเพราะไม่รู้จักคุณค่าของศีล น, นะ ในเมื่อไม่รู้จักคุณค่าของศีลก็เลยไม่ให้ความสนใจเรื่องศีลแต่ตามไม่จริงศีลของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคุณค่าถ้าพวกเรามาวิเคราะห์นํามาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลแล้วศีลของพุทธพระพุทธเจ้าบัญญัตินั้นมีคุณค่ามหาศาลสําหรับพวกศรัทธาญาติโยมทั้งในภพนี้ทั้งชาติต่อไปภายภาคหน้าด้วยถ้าว่าคนที่มีศีลในภพนี้ชาตินี้ จะไปณักสารที่ใดถินด่นใดก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับผู้ใดทั้งหมดเป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายถ้าว่าตายไปแล้วเกิดมาพบหน้าชาติหน้าอ น, นิสงส์ศีลกอบคุ้มคลองพระพุทธเจ้าถนัดคนรักษาศีลข้อที่หนึ่งคือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขามีพบมีชาติต่อไปภายภาคหน้าเกิดมาพบหน้าชาติหน้าชีวิตของเขาจะยั่งยืนยาวนานเพราะเขาไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในอดีตที่ผ่านมา กรรมดีของเขาให้ผลแล้วก็เขาไม่เคยเบียดเบียนลังแกสัตว์ไม่ทุบไม่ตีไม่เบียดเบียนสัตว์เขาเกิดมาพพหน้าชาติหน้าเขาก็มีร่างกายดีไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลสุขภาพของเขาก็มีแต่ความสงบพร้อมเย็นเป็นสุขไม่มีอะไรภัยพิบัติเข้ามาหาเขาแต่ถ้าว่าเขาเคยทุบตีลังแกสัตว์ไม่ถึงกับฆ่านะ ทิ้งตะลังแก่สัตว์อไปค้อนทุบหลังสัตว์อย่างเนี้ยตีหลังสัตว์ตีหัวสัตว์อย่างเนี้ยก็ทําให้มันทุกพลภาพในร่างกายของมันไม่มีใครรู้ว่ามันทุกพลภาพยังไงเมื่อเราตีไปแล้วเพราะมันก็ไม่ได้ขอร้องหรือว่ามันไม่ได้ไม่มีโรงพยาบาลอย่างพวกเราแต่มันก็เจ็บก็ปวดมันก็เสียสุขภาพของมันเหมือนกันเพราะฉนั้นบาปกรรมตัวนั้นจะต้องมาสนองเราเพราะนั้นพวกเรา เกิดมาเป็นมนุษย์คนนั้นอ่ะอปวดหัวบ้างเป็นอมพฤกษ์อมพาตเช่นเลือดปุดตันในสมองอย่างนี้เป็นตน้นเรียกว่าเป็นอมพาดเพราะถูกไขสันหลังออย่างนี้เป็นตน้นเพราะเหตุหอะไรพกเคยตีหลังหมูหลังหมากาไก่น่ะอะก็ทําให้บาปกรรมตัวนั้นตามสนองอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการกระทํากรรมสิ่งใดกรรมสิ่งนั้นจะต้องตามสนอง ผู้คนที่กระทําลงไปเห็เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้อันนี้สงสินคุ้มครองทางว่าพวกไต่ชอบขโมยของคนอื่นเบียดเบียนผูน้อื่นเกิดมาพบนี้ฉาดนี้ขนาดรองเท้าเอาไปวางเรียงกัน <c oughs> คู่ของตัวเองไม่มีราคาเขายังขโมยของเราไปเห็แต่คู่คนอื่นราคามีราคาเขาไม่เอาเพราะเหตุใดก็เพราะว่าตัวเองไม่เคารพในสิทธิ์ของผู้อื่นเขา เคยขโมยของเขามาก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เอาไว้ที่ไหนจะมีแต่คนขโมยมีแต่คนงัดแงะอะไรในะลักษณะนั้นคือไม่เคารพสิทธิ์ของเราอันนี้สงบุญกุศลไม่คุ้มครองเพราะเราได้ทำกรรมเอาไว้แล้วผู้ที่เห็นคล้ายๆก็อยากจะอิจฉาอยากพยาบาทอยากเบียดเบียนลักษณะอย่างนั้นอ่ะไปอยู่ในะสถานที่ใดเขาก็เห็นแบบเหมือนกับเขาเห็นขอ ง, ของดีของดีอย่างนั้น่ะเป็นของของคนนั้น่ะ อพราะนั้นผูกนั่นกันเลยแต่ถูกลักถูกขโมยอยู่เรื่อยเพราะเหตุไรก็เพราะว่ า, าบาปกรรมของเขาในอดีตชาติเขาสร้างมาไม่ดีนี่แหละถ้าพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วมันเป็นเรื่องเป็นราวมาในอดีตจนถึงในปัจจุบันกาเมสุมิชฉาจาร์ก็เหมือนกันสามีพัญญาเกิดมาแล้วก็บอกอยากพูดอยากไม่เชื่อฟังคาซึ่งกันและกันอันนี้เคไม่เคารพในสีลข้อที่สาม ข้อที่สี่มุสาวาทาเวะมณีการโกหกคนอื่นเขามาเกิดมาพบนี้ชาตินี้เราก็ถูกต้มถูกหลอกถูกตุนเขาเขามาท่มต้มตุนเราเขาพูดอะไรก็เชื่อไปหมดพวกคนอื่นได้ยินโอ้ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเชื่อเขาเลยทําไมไปเชื่อเขาได้ดูดูแล้วก็คนเป็นคนเฉลียวฉลาดป่าดเปืองพอสมควรแต่ทําไมไปเสียหลักไปเสียโง่ให้เขาอย่างนั้นฮะอันนี้เพื่อว่ากล้ำเก่า แกรำในอดีตให้ผลเพราะเหตุไรเพราะว่าตัวเองไปทําเขามาแล้วพอเขามาพูดหน่อยเดียวท่านเองเเกิดความเชื่อเขาเลยเพราะว่าแกรำชั่วนะมันปิดหูปิดตาปิดใจของเราก็เลยมองไม่เห็นที่จะทางออกเพราะนั้นสินของพระพุทธญาณคุ้มครองทั้งปัจจุบันและอนาคตอคนที่ดื่มสุราก็เหมือนกันกินเหล้าเมาสุรานะพอกินเข้าไปแล้วนั่นแหละเท่เนี่ย ขาดสติเกิดมาพบหน้าชาตดนาเท่าว่าพวกนี้เกิดมากับปัญญาอ่อนถ้าพวกที่ติดสุรามากๆทําให้ตัวเองเสียสุขภาพแล้วก็ในความคิดความอ่านศึกษาอะไรไม่ทันเขาเพราะว่าอา น, นิสงส์แห่งสุราครอบงับาปกรรมของสุราครอบงับไปถึงพบหน้าชาตดนาด้วยอันนี้แหละอา น, นิสงสิน เที่รักษาอในภบนี้ชาตินี้คุ้มครองไปถึงชาติหน้าด้วยอแต่ว่าในชาตินี้เท่านี้ถ้าว่าเขาเราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปฆ่าคนอื่นเขาเขามีพี่มีน้องมีเพื่อนมีฝูงมีพ่อมีแม่มีวงศาคนาญาติเราไปฆ่าเขาเขาเสียใจเขามาฆ่าเราละ่ะเราก็เสียใจอันนี้คือปัจจุบันในปัจจุบันถ้าเราไปทําอย่างนั้นเขาก็เสียใจเขามาฆ่าเราเราก็เสียใจเพราะพี่น้องของเรา หาว่าดูถูกเหกียรติยามของเราอย่างสุดสุดนะเราเสียใจยอย่างมากอันนี้ก็คือสินเพราะผู้ใหญเจ้าบัญญัติศินข้อที่หนึ่งจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้เคารพซึ่งกันและกันเพราะเขาเขากพรักพี่น้องของเขาพ่อแม่ของเขาวงสาคณะญาติของเขาของใครของเราเราเคารพเพราะนั้นให้เคารพสิทธิซึ่งกันและกันอันนี้แหละสินข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าก็อย่างนั้นแหละ อย่างที่หลวงพ่อได้พูดอธิบายให้ฟังเมื่อเช้านี่แหละสินของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าเท่าเราคิดดูแล้วพิจารณาใจตรองด้วยเหตุด้วยผลดีแล้วอันนี้ก็คือทานและก็สินสำหรับสอนคารวะญาติโยมแต่สินเนี่ยรู้สึกว่าพวกเราจะห่างเหินไปพอสมควรเพราะนั้นหลวงพ่อขอบอกกล่าวกระตุ้นเตือนศรัทธาญาติโยมทุกท่านนะเมื่อมีโอกาสเมื่อมีโอกาส วันไหนพอว่างด้วยวันเกิดของเราเองหรือรือวันเกิดวันเกิดพ่อแม่หรือเป็นวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาอย่างเนี้ยวันมาค้าบูชาวิสาขบูชาอย่างนี้พวกเราควรจะรักษาศีลสักวันหนึ่งก็จะเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายอย่างมากถ้าปฏิบัติอย่างนั้นได้นะเพราะนั้นเรื่องศีลพวกเราอย่ามองข้าม ถ้าพอเรารักษาศีลแล้วเ อ, อในปัจจุบันก็มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขในอนาคตก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดถ้าว่ามีพบมีชาติต่อไปภายภาคหน้าอ น, นิสงส์ศีลก็ก็จะคุ้มครองพวกเราอ น, นิสงส์ภาวนาที่ีหนทานศีลภาวนาภาวนาคือทําใจให้สงบแนวความคิดที่ีหนมาพูดถึงแนวความคิดแนวความคิดี่ไม่ใช่ธรรมดาคนเราเนี่ยถ้าว่า ไม่ได้รับทำคําสั่งสอนไม่ได้รับการแนะนําจากครูบาอาจารย์ไม่ได้รับคำํำทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราจะไม่รู้เลยความคิดนั่นคืออะไรแต่ถ้าว่าพวกเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วได้รับการอบรมดีแล้วพวกเราจะรู้จักว่าแนวความคิดเนี่ยควรจะคิดยังไงมันจึงจะถูกคิดยังไงมันเพดคิดยังไงมันจึงสงบคิดยังไงจึงจะมีปัญญา จัดว่าอย่างไรจึงมีปัญญานี่แหละวิธีความคิดวิธีความคิดนี่แหละที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนพวกเราให้รู้จักวิธีการคิดคิดยังไงมันจึงจะถูกต้องคิดยังไงปิฏกมันจะผิดคิดยังไงจึงเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิเ่มันอยู่ในใจทั้งหมดถ้าว่าพวกเราเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้อง มิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดนะอันนี้พวกเราจะใช้อันไหนเป็นเครื่องวัดก็ต้องใช้พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำสั่งสอนให้รู้จากวิธีการคิดคิดยังไงมันจะเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นว่าทานเป็นยังไงศีลเป็นยังไงแต่ถ้าว่าคนไม่ยินดีในการทำบุญทำทานแปลว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วถ้าว่าคนไม่ยินดีในการรักษาศีล ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีอันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วอเพราะฉะนั้นต้องลักเอาหลักพระธรรมคำํา ส, สั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องวัดเอว่าใครเป็นมิจฉาทิฐิใครเป็นสัมมาทิฐิไม่ใช่ว่าเอากิเลสความเห็นของตนเองเข้ามาวัดอันนั้นไม่มีที่สิ้นสุดใครก็ว่าใครถูกใครก็ว่าใครดีทั้งนั้นแต่ต้องเอาหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาวัดนั่นแหะความถูกต้องและความผิด จะรู้ได้เห็นได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเรื่องภาวนาเนี่ยคือให้ดูใจแนวความคิดคิดยังไงเป็นจึงจะถูกคิดยังไงเป็นจริงจะผิดการคิดเท่เนี่มาพูดถึงความคิดแนวความคิดเนี่ยในหลักของพุทธศาสนาก่อนที่จะคิดออกไปเนี่ยพระพุทธองค์ท่านบอกว่าตามปกติใจของเรามื่ก็คิดปุ่งฟุ้งซ่านอยู่แล้ว ตั้งแต่ไหนแต่รายมาจนพวกเราไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าเราคิดมานี่กี่ปีกี่เดือนกี่วันเว้นเสียตอนนอนหลับนอนหลับไล่ก็ยังฝันอีกก็ยังคิดอยู่ในนั้นอีกเว้นเสียจะหลับสนิทนะวันไหนหลับสนิทคือคือวันนั้นเราหยุดคิดวันไหนหลับสนิทวันนั้นจิตใจสบายตื่นขึ้นมาก็เหมือนกับนอนอิ่มอย่างนั้นแะแต่ถ้าว่าพวกเรานอนไปเคลิมไปฝันไป ตื่นขึ้นมาก็อย่างนั้นอย่างนั้นอ่ะสลัมสลือว่าไงแน่นอนไม่เต็มอิ่มเพราะเหตุใดเพราะมันไม่หลับสนิทเฮ้พวกเราให้สังเกตดูนะที่หลวงพ่อพูดงงกัคงพูดไม่ผิดลักษณะอย่างนั้น่ะการนอนไม่เต็มอิ่มเพราะฉะนั้นในหลักของพระพุทธศ า, าสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเวลาจะหยุดคิดให้ทํำยังไงวิธีให้คิดทํำยังไงวิธีหยุดเคิดท่านให้นั่งสมาธิพระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเรา ที่ท่านประสบมาแล้วด้วยพระ อ, องค์เองพระพุพทธเจ้าของเราตะกอนท่านก็เป็นกษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะครองราชอยู่อายุยี่สิบเก้าปีครองราช อ, อ, อ, อยู่หลายปีเหตุที่พระปิดาหมอบให้ครองราชจะสมบัติเป็นเวลาถึงยี่สิบเก้าปีอายุของท่านในช่วงนั้นท่านก็ได้หนีออกจากเวียงวงังไปอยู่ในป่าไปฝึกหัดเรื่องเนี้่เรื่องจิตภาวนาเนี่นะ เพราะคนในยุคนั้นสมัยนั้นเขาก็คงจะสงสัยในเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่เน อ, อตายแล้วสูญแล้วตายแล้วเกิดเขาก็คงจะสงสัยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายทีนี้พระองค์ก็ ท, ธธทิฏฐะท่างกับไปฝึกหัดอยู่ในป่าไปปฏิบัติจากนั้นพระองค์ก็บำเพ็ญลองผิดลองถูกกิเลสมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่กายใช่ไหม ท่านก็นทรมานกายอดพระกยายหารถึงสี่สิบเ้าวันอย่างที่พวกเราเห็นที่สิท ธ, ธัตถะอดพระกยายหารเห็นแต่ชีโคงพวกเราจะได้เห็นที่เขาทํารูปทําวาดรูปขึ้นมาเนี่แหละพระพุทธองค์บําเพ็ญอยู่นั้นถึงสี่สิบเก้าวันอดพระกยายหานพระพุทธองค์กดทดลองว่ากิเลสไม่อยู่ในกายกิเลสราคะโทสะโมหะมันอยู่ในใจเ จากนั้นพระองค์ก็หันเขามาหาใจนี่วิธีการปิดทำยังไงสมาธิเหมือนกับเราเข้าไปในห้องเปิดแอร์ปิดประตูหน้าต่างทั้งหมดแล้วก็เปิดแอร์เราก็อยู่แบบสบายไม่ต้องคิดเามือนกันเะมีความสุขแต่เวลาเปิดประตูออกไปทํางานไปทำอะไรบางคนก็ทำมาค้าขายบัญชงบัญชีบางคนก็ทำไรไถนาะบางคนก็ทามาค้าขาย บางคนก็หาทรัพย์สมบัติแต่ว่าหามาแล้วเพื่ออะไรการชดแสวงหาทรัพย์เหล่านั้นเพื่ออะไรเพื่อบำรุงร่างกายเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ถึงจะหาเงินคําทรัพย์สมบัติอย่างไรก็ตามผลที่สุดก็ทํามาเป็นคําอผลที่สุดตักเข้าปากตัวเองนั่นแหละที่จะหาเงินมาประเภทไหนอย่างไรก็ตามผลที่สุดมาซื้อสิ่งของอบำรุงร่างกายตัวเอง อถ้าว่ามีเสื้อผ้ากับมาเพื่อนุ่งห่มถ้าเวลาเจ็บไข้ในปวดเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็เพื่อที่อยู่อาศัยของเราเอซารงซาลากุติวิหารบ้านเรือนที่อาศัยที่เราสะแสวงหาทั้งหมด่ะเออที่ออกไปหาเนี่ยแหละคือวิธีการคิดคิดหาทรัพย์สมบัติเมื่อเราอยู่เป็นครวัตแต่วิธีการพักแต่ เวลาพักกับปิดประตูหน้าต่างนอนพักผ่อนถ้าเราจะเปรียบเทียบก็คือเวลาเข้าห้องพักผ่อนนั่นแหละคือสมาธิเวลาคิดออกไปทำการงานนั่นแหละคือปัญญาแต่เราจะทำงานทุกวันทุกเวลาไม่มีการพักผ่อนพวกเราว่าจะไหวไหมไม่มีการนอนไม่มีการพักผ่อนเลยคงไม่ไหวแ น, แน่แต่ถ้าว่าเรามีแต่พักผ่อนนอน โดยที่ไม่ได้ไปทำการทำงานเรามีตะนอนอยู่ในห้องคนนั้นจะอยู่ไหวไหมจะมีอาหารมาเลี้ยงชีพไหมอันนี้ก็คงจะไม่อีกเหมือนกันเพราะนั้นทั้งสองอย่างคือสมาธิกับปัญญาเนี่ยเป็นของคู่กันอย่างนั้นน่ะคือสมาธิเนี่ยคือทำใจให้สงบทำใจให้เป็นหนึ่งเหมือนกับพวกเรานอนอยู่ในห้องพักพรออยู่ในห้องนีเยี่วห้องแอร์พักพร เวลาออกไปทกนาคออกไปทํางานเราก็ต้องไปทํางานทํางานก็คือเพื่อไปหาเงินหาเงินเสร็จแล้วเราได้เงินมาก็เพื่อมาบ ำ, บำรุงร่างกายของเราอันนี้ก็เหมือนกันการที่พักผ่อนก็คือทําจิตให้สงบเวลาการไปพิจารณาพระพุทธเจ้าให้พิจารณาเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าท่านบอกให้พิจารณากายอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้พิจารณา สอนภาษาวกทั้งหลายเมื่อพวกเราเป็นพระอย่างพระเนรเองเขามาบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกเลยสอนกรรมฐานห้าให้พิจารณาเลยให้พิจารณานะไม่ใช่ให้อยู่เฉยเฉยให้พิจารณากรรมฐานห้าเกษาผมโลมาขนนัคข า, าเล็บทันตาฟันตะโจหนังอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมีอยู่ห้าอย่างนะให้พวกพระใหม่สมมาเนรพิจารณานะอย่าลุ่มหลงใน เกสาโลมานะขาทันตาตะโจของเจ้าของให้พิจารณาผมมีเป็นลักษณะอย่างไรมีสันฐานอย่างไรให้พิจารณาขนมันเกิดจากที่ไหนในร่างกายของเราเล็บมันงอกจากนิ้วมือนิ้วเท้าเป็นอย่างไงฟันอยู่ที่ไหนอยู่ในปากของเราหนังหุ้มร่างกายอยู่นี่แหละให้พิจารณาเอาให้เพราะมีเวลาน้อยให้คิดให้พิจารณาเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะ หลวงพ่อก็เลยปปเปรียบเทียบว่าเนี่ยเพราะอุปชาหรือว่าพราะพุทธเจ้าให้พระใหม่เนรใหม่ที่เข้ามาบวชใหม่ท่านมอบอาวุธให้เอเพื่อจะต่อสู้กับกาม马าคะคือตัวกิเลสกามราคะเนี่ยท่านมอบอาวุธให้ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนอปืนลูกซองห้านัดเหมือนกันหลวงพ่อว่านะหลวงพ่อคิดว่านะเออไม่ใช่คำทางสอนของพุทธเจ้าหลวงพ่อเปรียบเทียบเหมืนกัน กรรมาฐานหนะ้าเนี่ยก็เหมือนปืนลูกซองห้านัดเอาปืนลูกซองห้านัดกิเลสมาตัวไหนยิงมาเลยนะอย่างงั้นแหละเออคือว่าให้ดูผมนะสมัยเมื่อเราเป็นหนุ่มเป็นสาวผมก็ดําเออต่อมาเท่าแก่ชรามาผมก็าขาว เ, าเล็บถ้าเราไม่ล้างไม่ขัดไม่สเีเล็บดําสกรปรกนะ เ, เห็นไหมถ้าเราไม่ทําความสะอาด อหนังขนก็เหมือนกันอยู่ในร่างกายของเราถ้าว่าเราดูแล้วนขนก็สวยงามแต่ตามไม่จริงถ้าขนมันหลุดหล่นลงมาเป็นยังไงน่าเกลียดไหมเล็บก็เหมือนกันอยู่ในนิ้วเท้านิ้วมือเป็นยังไงถ้าเราไม่คัดไม่สีไม่ล้างไปยังไงอฟันของเราเป็นยังไงถ้าเราไม่คัดไม่แคะมีแต่ขี้ฟันเอเหลืองเต็มไปหมดในปากของเราน่าดูไหม หนังอยู่ในร่างกายของเราถ้าเราไม่ชำละไม่เช็ดไม่ถูเป็นยังไงมีแต่ขี้เงือขี้ไครเหม็นคลุงไปหมดสวยงามไหมอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณากรรมฐานหา้าไม่ให้รุ่มหลงในร่างกายแต่โดยมากโลกทั้งโลกของเราตกแต่งทางว่าผมขาวเอาสีมาย้อมให้มันดำกลับคืนมา ขนของเราก็เหมือนกันตกแต่งให้ขนหนวดขนเขาแห่งสวยงามฮะอแหวบของเราเอาสีมาทาฮฟันของเราก็มาขัดมาทําความสะอาดให้สวยงามหนังของเราอาบน้ํำชาระกายเอาเครื่องประดับตกแต่งเข้าไปให้เจ็ดสวยงดงามผูดผัดอันนี้เป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสกิเลสกามราคะพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้น เพราะนั้นให้พิจารณาตามความเป็นจริงร่างกายถ้าจะดูแล้วให้ให้พิจารณาดูให้ดีอให้เรากําหนดดูให้ดีเกสาผมเอาไปวางเอาไว้โลมาขนถอนขนไปวางเอาไว้หน้าขาเล็บถอดเล็บไปวางเอาไว้ทันตาฟันอถอดฟันไปวางเอาไว้ตะโจหนังถลกหนังไปกองเอาไว้มังสังเนื้อ ชำแหละเนื้อออกไปกองไว้กระดูแต่ละท่อนถอดออกไปแล้วไปกองเอาไว้แล้วก็ดูเข้าไปจนถึงตับจนถึงปอดหัวใจไตลำไส้ในร่างกายของเรามีอะไรบ้างจริงไหมที่พูดอย่างนี้พวกเราคงจะไม่ปฏิเสธเพราะนั้นหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าจะว่าไปแล้วให้เห็นตามความเป็นจริง เมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วจิตใจของเราก็ไม่รู้จะยึดถือไปยึดมั่นอะไรมากมายโกรธก็ไม่รู้จะโกรธไปทําไหมเพราะร่างกายมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นโลภก็ไม่รู้จะโลภไปอะไรมากมายเพราะร่างกายของเราก็เป็นอยู่อย่างนี้หลงก็ไม่รู้จะหลงไปอะไรเพื่ออะไรรักก็ไม่รู้จะรักไปอะไรมากมายสิ่งเหล่านี้แหละถ้าว่ามีทำอยู่ในใจพิจารณาพิจารณาตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงแล้ว กิเลสลาคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีอยู่ในจิตในใจของเราก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงไม่ถอนมากก็ต้องถอนน้อยแอมไม่คลายมากก็ต้องคลายน้อยต้องเบื่อหน่ายคลายผลที่สุดก็ปล่อยวางเห็นตามความเป็นจริงจิตใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มายึดมั่นถือมั่นเพราะไปยึดมั่นถือมั่นก็ไม่รู้จะยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอะไรแหมกลัวก็ไม่รู้จะกลัวทําไมบางคนก็กลัวผี แหมกลัวปาช้าอย่างนี้ถ้าพิจารณาดูให้ดีแล้วปาช้าอยู่ในท้องของเราเไม่รู้ว่าหมูหมากาไกา่วัวควายอยู่ในท้องของเราเออปูปลาพวกนกพวกอะไรอยู่ในป่าช้าของเราเราคิดตัวให้ดีก็แล้วกันใช่ไหมมันอยู่ในท้องของเราเนี่ยที่นอนเฝ้าอยู่เนี่ยนี่แหละที่ฝังศพของสรรษษัตวสัตว์ทั้งหลาย เอ่ที่พูดตามความเป็นเป็นจริงเพราะฉะนั้นเรากลัวป่ายชา้าเราก็ต้องกลัวท้องของเรามันจึงจะถูกอันนี้เราไปกลัวป่ายชา้านนั่นแหะกลัวแบบลมๆแรงๆแต่กลัวจริงๆก็กลัวที่ท้องของเราอถ้าเป็นผีมันก็คงจะหลอกอยู่ที่นี่แหะอยู่ในท้องของเราเน่ยอยู่ในกระเพาะของเราอ่อไม่รู้ว่ากุง้งไม่รู้ว่าปลาไม่รู้ว่าหอยไม่รู้วอะไรต่อมิอะไรแต่ละวันพวกเรานับดูซิว่า ก, ก, กี่ชีวิตอยู่ในท้องของเราแต่ละวันกี่อย่างนะ่ อันนี้เราเราคิดให้ดูให้ดีนะหลวงพ่อพูดเนี่ไม่ใช่พูดให้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่พูดเลื่อนลอยนะพูดให้พวกเราได้คิดให้สำนึกให้คิดอย่างพวกเรากลัวกระดูกก็เหมือนกันทาไมกลัวกระดูกคนอื่นตัวเองก็นอนเฝ้ากระดูกตัวเองอยู่กระโหลกศีรษะแข้งขาตีนมือมีกระดูกไม่อยู่ข้างในเมื่อเราเห็นกระดูกของเราแล้วเราก็นอนเฝ้าสรากศพของเราเฝ้ากระดูกของเราอยู่ไม่รู้จะกลัวไปทาไมเนะ่ ก็คิดดูให้ดีอีกแล้วกันถ้ากลัวกระดูกตกของตัวเองไม่รู้จะวิ่งไปที่ไหนอีกเท่าไรแน่อันนี้แหละพูดตามความเป็นจริงธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดตามความเป็นจริงไม่ให้ลุ่มหลงไม่ให้มัวเมาให้รู้แจง้งเห็นจริงจากนั้นเมื่อรู้แจง้งเห็นจริงแล้วก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านเห็นอันเนจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอันเนจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตามิใช่ตัวตนของเรา จะเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรตัวตนของเราเรานั่นคือใครถ้าเราศึกษาให้ดีใครใครเป็นเจ้าของในร่างกายของเรามีอยู่สองนะมีอยู่สองคือรู ป, ปรธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจนะจิตใจคืออะไรคือสมองฮนะหรือตัวผู้รู้นั่นละ่ะพระพุทธเจ้าที่ท่านเน้นหนักจริงๆก็คือเน้นหนักตัวนามธรรมตัวผู้รู้รนั่นแหะตัวนั้นละ่ะที่พระพุทธเจ้าเน้นหนัก ให้พวกเราเข้าใจนะคือใจนะใจคือตัวรู้รนะู้นั่นแ่ะพระพุทธเจ้าเน้นหนักจุดนั้นแต่ส่วนร่างกายในพระพุทธเจ้ามันเป็นวิบากในกรรมในอดีตมันเป็นวิบากกรรมพวกเราได้มาเกิดพบนี้ชาตินี้แต่ส่วนจิตใจนะั่นตัวที่จะสร้างคุณงามความดีที่จะสร้างบาปอาคุศลเพิ่มเติมเข้าไปอีกคือใจ เพราะนั้นพระพุทธเจ้าสนใจเรื่องใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเข้ามาศึกษาคือมีเวลาน้อยก็มาได้ยินได้ฟังก็ให้รู้เอาไว้ว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีกายกับใจอาศัยกันอยู่อีกสักวันหนึ่งร่างกายของพวกเราก็จะต้องแตกสลายแต่ส่วนจิตใจนั้นจะต้องไปปฏิสนธิไปหาเกิดที่ใหม่อีกถ้าว่าพวกเรา ยังไม่หมดกิเลสยังมีราคะโทสะโมหะอยู่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดลุ่มๆุ่มรอนๆอ น, อนสูงสู ง, สงต่ำๆ่จนกว่าจะรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจากนั้นถอดถอนกิเลสราคะโทสะโมหะออกจา ก, ก จ, จิตใจเป็นอริยะบุคคลเมื่อไหร่เมื่อนั้นเลยหยุดในการหมุนเวียนวัตจักขักกรรมล้อคงเวียนตัดล้อคงเวียนหมดแต่ถ้าว่าพวกเรา ยังไม่ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะเหมือนกับพวกเรามดแดงไตขอบร่งอย่างนั้นแหละไต่ไม่มีไม่มีที่สิ้นสุดไปก็เหมือนกับว่าเป็นที่ใหม่ผลที่สุดก็บอันเก่านั่นแหะไตไปไตไปไตไปไตไปไม่มีที่สิ้นสุดมันจะสุดได้ยังไงเพราะมันวนอันนี้เราว่าวัดตะบนวนไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายก็คือวิญญาณของพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านรู้แจ้งเห็นจริง ในการประพุทธปฏิบัติที่ท่านปฏิบัติที่โครนต้นโพในวันนั้นน่ะอบปุบเพนิวาสานุสติยานรละลึกชาติทนหลังได้จูตูปะปาตยานรู้จักว่าวิญญาณเกิดมาจากไหนอย่างไรอาสาวัคยยยานยานอย่างรู้ว่าตัวที่มาพาหมุนเวียนอยู่ใ น, ในวัฏสงสารเนี่ยจนถึงโสกะปริเทวทุกโทมณสุเนี่ย ร้องไห้พิไรรำพันมาจากตัวไหนท่านว่ามาจากตัวอวิชชาคือตัวหลงตัวโง่ตัวหลงตัวไม่รู้นั่นแหละพอไม่รู้เข้ามาแล้วก็รักไม่รู้เข้ามาแล้วก็โกรธไม่รู้เข้ามาแล้วก็โลภนะเพราะมันไม่รู้ถ้ารู้ขึ้นมาแล้วจะโลภโกรธลงไปทำไหมเพราะนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมที่โกนต้นโพ ท่านรู้เง่ารากฐานของอวิชชาจากนั้นพระุธองค์ก็ตัดชําระไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางพระธองค์ก็ดีดพระทัยของพระองค์หรือว่าความบริสุทธิ์ของพระองค์ก็ดีดออกเป็นธรรมธาตุเป็นอมตะธรรมอมตะธาตุท่านก็ได้สําเร็จแปลว่านิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง นิพพานังปรามังศูนย์ยังนิพพานศูนยศูนย์อะไรทําไมศูนยศูนย์แล้วทําไมจึงสุขเพราะว่าศูนก็คือศูนเชื้อเชื้อก็คืออะไรคือกิเลสราคะโทสะที่ให้หมุนเวียนในภพน้อยภพใหญ่คือมันเป็นเชื้อที่ให้วิญญาณตรงนั้นเกิดในภพภูมิต่างๆมันมีเชื้อมันจึงพาไปแต่นี้พระพุทธองค์กําจัดเชื้อออกหมดแล้วยังเหลือแต่ความบริสุทธิ์ เพราะเชื้อมันจะทําให้ปุหมุนเวียนไปเกิดอะตัดออกแล้วกาจัดออกแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงว่านิพพานาังปรามังสุขขังคือไม่มีเชื้อที่จะทําให้หมุนเวียนมีแต่เป็นเป็นบรมสุขมีความสุขในจิตใจแต่ถ้าว่ายังบกปนเวียนยังมีเชื้ออยู่จะหาความสุขไม่ได้เพราะมันจะต้องเกิดในภพภูมิต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วก่อนเนะี่ยเป็นเด็กเหมือนกับเราเห็นะต่อมาก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายอ่าแต่จากนั้นก็ ลองไห้เพียไ ร, รําพันหาใส่ปากใส่ทองเกิดมาพบหนาชาติหนากะเป็นอย่างนี้อีกเกิดมาพบไหนชาติไหนก็เป็นอย่างนี้นนนอีกเกิดสูงเป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินคําทรัพย์ส ม, มัวดยศสุขยังไงก็พวกเราก็เห็นก็เดินไปเดินมาไปที่ไหนก็จะต้องมีห้องน้ําห้องสวมแอมจะต้องขับถ่ายจะต้องยูต้องกินเพราะเหตุไรเพราะเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นอย่างนี้เหตเพราะนั้นพระพุทธองค์ท่านมองเห็นแล้วว่า นี่แหะถ้าเกิดมาพบใดชาติใดก็คงจะเป็นอย่างเก่าเพราะว่าเกิดมาในโลกเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระุทธองค์เห็นอย่างนั้นแล้วพระุธองค์ก็กําจัดเชื้อในใจของพระองค์ออกราคะโทสะโมหะออกไปแล้วด้วยมักฆะมักแปดที่พระุธองค์จะกําจัดสิ่งเหล่านั้นออกได้คือสัมมาถถทิฏฐิคือความเห็นชอบสัมมาถถทิฏฐิสัมมาสังกปสมา วาจาสมากมันตอาชวโววายโมสติสมาธิเนี่ยสรุปแล้วก็คือสินสมาธิปัญญานี่แหละที่จะกำจัดเชื้อคือกิเลสราคะโทสะโมหะออกไปเพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะถึงจะทำไม่ได้อย่างนั้นก็ให้รู้จักแนวแถวว่าในร่างกายของเรามีอยู่สองอย่างกายกับใจตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเพราะเหตุใดเพราะยังมีเชื้ออยู่คือกิเลสราคะโทสะโมหอที่ว่าตายไปแล้วเป็น เป็นผีเป็นอะไรเป็นดวงวิญญาณนี่แหละก็คือตัวนี้แหละมันยังไม่หมดไม่สิ้นเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านได้มาวันนี้ได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดของหลวงพ่อก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลหลวงพ่อเองก็ขอขอบคุณและขออนุโมทนาจากพี่น้องประชาชนญาติโยมทุกๆ ท, ท, ท่านหลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นสัมโมนิยกถาการเป็นอยู่ของพวกเรา พระพุทธเจ้าสอนอยังไงสอนอุบาสกอุบาสิกาสอนให้รู้จักทานให้มีการเสียสละให้รู้จักรักษาศีลแล้วก็ให้รู้จักภาวนาอให้รู้จักการบําเพ็ญกุศลอให้รู้จักการประพฤติปฏิบัติการวางตัวอย่างไรกับชุมชนและสังคมจากนั้นก็ให้รู้จักแนวความคิดอคิดทางยังไงมัึงจะถูกคิดยังไงมันจึงผิดนะ Hey, คือว่าคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิอ hey, เวลาคิดเนี่ยแล้วเวลาหยุดคิดทํำยังไงพระพุทธเจ้าสอนใะหยุดคิดทํำยังไงเวลาให้คิดคิดยังไงจากนั้นก็ให้แยกแยะดูร่างกายร่างกายของเรามีอะไรบ้างหลวงพ่อยกอุปมาประไม่กับพระบวชใหม่สมเณรบวชใหม่พระพุทธเจ้าเอากำมะฐานห้าให้หมอบกำมะฐานคืออาวุธอ hey, ปืนลูกสองหนัดมาเั้นเพื่อยิงกิเลสราคะโทสะโมหะให้กระจุยกระจายออกไปให้พิจารณาอย่างไรให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างไรร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเรานะอีกสักวันหนึ่งถึงจุดจบเรามีความเกิดเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาจะไม่ล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้เพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านสํานึก คิดไว้อยู่ในใจเสมอแล้วก็พร้อมกันอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้อีกสักวันหนึ่งเมื่อถึงจุดจบของพวกเราเราก็จะได้ไปตามคติที่ดีเพราะเราได้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเรานะาการพูดการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าสมควรขอจุติในการพูดเพียงเท่านี้